มีใครอยากจะถามอะไรไหมมาจากที่ไหนกันบ้างนะมาจากที่ไหนกันกโคราชฮะกรุงรรเทพกรุงเท พ, ม, เทพมาท้างหน้าเลยขางหนมาจากทางไหนรู้จกักถักรู้จกักจากทางไหนทางเฟซบุ o กยูทูบอังสือ เียวพามาจะมาเดินมาเออมาด้วยกันนะสี่คนอยากจะมาเอาอะไรไปลหละทาก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครรู้มาก่อน บางส่วนก็เป็นความรู้ที่รู้กันอยู่แล้วแต่ส่วนที่พุทธเจ้ารู้นี้ไม่มีใครรู้เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของความรู้ทั้งหลายก็ความรู้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาทรงตัดสโรนี้เป็นความรู้ที่ยังเป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือไม่รอดพ้นจากความทุกข์ ไม่หลุพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทุกศาสนาทุกศาสดาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตารัสรู้นี้สอนให้พ้นจากความทุกข์ได้ชั่วคราวแต่ไม่สามารถสอนให้พ้นจากความทุกข์ได้ถาวรยังไม่มีใครสอนให้กลับมา สอนให้ไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้สมัยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาสอนนี่สัตว์โลกทั้งหมดนี่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดกันไปอยู่เรื่อยๆพวกเราเนี่ตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ก่อนจะกลับมาเกิดใหม่ก็ไปรับผลบุญผลบาปก่อนพ อ, อใช้ผลบุญผลบาปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่พอตายไปก็กลับไปตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปใหม่แล้วก็กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบกับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบที่ทรงค้นพบวิธีที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป มีทางที่จะทำให้เราไปแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายตอนนี้พวกเราเป็นเหมือนพวกที่ขับรถเวียนอยู่อนุสาวรีย์ชัยสมลภูมิเคยขับรถวนแถวนั้นไหมถ้าวนอยู่ทถวนั้นมันก็ไปไม่ถึงไหนมันก็วนอยู่ในวงเวียนนะจนกาจะมีคนมาบอกเอ้ยมีพหุโยทินเนี่ยถนนพหุโยธิน วิ่งไปแล้วเดี๋ยวไปถึงเชียงใหม่เลยไม่มีใครเห็นทางไม่เห็นไม่มีใครเห็นถนนมระหนโยทินเห็นแต่ถนนรอบรงเรียนเพราะถนอนอาจจะถูกป่าถูกป่าถูกอะไรปิดกั้นไว้ทําให้คนที่ขับรถมองไม่เห็นถนนประหลนโยทินที่จะพาไปสู่เชียงใหม่ได้พวกเราก็เหมือนกันพวกเราก็ขับรถ เือขับใจของเราเดินรอบวงเวียนแห่งสังสารวัฏสังสารวัฏก็คือสงสารวัตะสงสารคือภพตายภพนี้เรียกว่าวัตะสงสารตายภพก็คือพบที่ดวงจิตดวงใจของสัตว์โลกอย่างพวกเรานี้ไปเกิดกันตามอํานาจของบุญของบาปที่ทํากัน ตายพบมีสามพบพบพบที่อยู่กันมากที่สุดก็คือกามมาพบ mm hmm. คือพวกที่ชอบเสพกามพวกที่ชอบเสพรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยชอบกาแฟสตาร์บัคชอบฟังซีดีชอบฟังเพลงชอบดูหนังเนี่ยตรงนี้ต้องมาเกิดในกามมาพบกัน <c oughs> มนุษย์นี่เป็นหนึ่งในกา ม, มาพบ การมาพบนี้ก็มีแบ่งไว้สองส่วนคือส่วนที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์และก็อีกส่วนหนึ่งก็ส่วนที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขส่วนที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขนี้ไปเกิดได้อย่างไรก็เพราะว่าทำบาปมากกว่าทำบุญ ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญก็จะไปเกิดในกามาพบส่วนที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขเราเรียกว่าพเหล่านี้เรียกว่าอบายอบายสี่มีอยู่สี่พบด้วยกันสําหรับพบที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขเกิดพบหนึ่งที่หนึ่งก็พบของเดรัจฉานเพราของเดรัจฉานนี่มีความสุข มีความทุกข์มากกว่าความสุขมีภัยรอบด้านจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้จะถูกเขากัดเขากินเมื่อไหร่ไม่รู้สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์น้อยกว่า <c oughs> เป็นอาหารสัตว์จึงไม่ค่อยมีอายุยืนยาวนานเท่าไหร่ <c oughs> นอกจากสัตว์ใหญ่ๆเช่นช้างช้างนี้เป็นสัตว์ใหญ่ที่อาจจะ ทำบาปน้อยหน่อยเลยได้ไปเกิดเป็นช้างอายุและยืนยาวนานหน่อย <c oughs> ถ้าเป็นสัตว์เล็กนี่มักจะตายง่ายตายเร็วมีพบต่อมาที่เป็นพบที่เรียกว่าอบายก็คือเปรต <c oughs> พวกเปรตนี้ไม่มีร่างกายเหมือนเดรัจฉานเหมือนมนุษย์เป็นดวงวิญญาณที่ร้อนด้วยความหิวโหย พอสมัยที่เป็นมนุษย์นี่มีความโลภมากอยากได้อะไรมากๆอยากร่ำอยากรวยอยากมีสมบัติมีเสื้อผ้ามีกระเป๋ามีรองเท้ามีอะไรเยอะๆซื้อมันแหลกไม่เคยคิดจะทำบุญเอาแต่ซื้อของอย่างเดียวแล้วก็หาเงินโดยวิธีที่ทำบาปเช่นไปช่อโกงไปลักสรัก หรืออาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยบางพวกก็ไปไปรับจ้างฆ่าฆ่าสัตว์นี้เขาก็รวยรวยด้วยการฆ่าสัตว์นพวกจับปลาจับเป็นเลี้ยงเป็ดเลีเ้ยงไก่แล้วก็เอาไปฆ่ า, าไปขายพวกนี้ถ้าฆ่าพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยฆ่าด้วยความโลภเนี่ยฆ่าด้วยความอยาก อยากมีมากมากมีเงินมีทองมากมากไม่ค่อยทำบุญพวกนี้ทำก็ทำแบบพอหอมปากหอมคอวันเกิดบ้างวันขึ้นปีใหม่บ้างแต่ไม่ได้ทำแบบปกติเหมือนคนใจบุญเขาทำกันคนใจบุญนี่ถ้ามีพระผ่านมาบินดบานี่เขาจะสายบาตททุกวัน ชาวบ้านาบ้านอำเภอนี่เป็นชาวบ้านที่มีบุญใจบุญสมัยแรกๆนี่ก็มีพระเขามีวัดเดียวที่บ้านเผอนี่ยเขามีวัดประจําหมู่บ้านอยู่วัดเดียวต่อมาเขาก็พอต่อมามีการมาสร้างวัดยานขึ้นแล้ววัดยานก็เป็นวัดที่เน้นแนวปฏิบัติเนี่ย พอชาวบ้านได้มาสัมผัสกับแนวปฏิบัติก็ศรัทธาถึงแม้วัดจะอยู่ไกลจากหมู่บ้านเขาก็อนิ ม, มนต์ให้พระวจียนไปบิณฑบาต ท, ที่บ้านอำเภอแล้วต่อมาเดี๋ยวนี้รู้สึกจะมีวัดอื่นไปบิณฑบาต ท, ที่นั่นกันห้าหกวัดมาห้าเลยห้าวัดเชาวบ้านเขาก็ใส่ทุกทุกวัดเหมือนกันเขาก็สู้เขาก็ไม่ถอย ถึงไม้ว่าเขาจะไม่ย่ไม่ร่ำไม่รวยอะไรบางคนก็ทำมาหากินหาเช้ากินข้าวเขาก็มีอะไรเขาก็ใส่ไปตามกำลังของเขาเพราะเขา ถ, ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กให้ทำบุญชาวบ้านคนไทยชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่จะมีพระสอนให้ทำบุญกันเขาก็เลย เชื่อเรื่องทำบุญถึงแม้ว่าเขาจะมีอาชีพประมงเขาก็ยังทำบุญการทำบุญของเขานี่อาจจะพอที่จะเบรกไม่ให้เขาไปเป็นเปรตไปเกิดเป็นเดรัจฉานได้ถ้าเขาทำบุญมากกว่าเขาทำบาปแต่ถ้าเขาทำบาปมากกว่าทำบุญเขาก็ไปต้องไปรับผลบาปของเขาแต่อาจจะไม่นาน เหมือนกับพวกที่ไม่เคยทำบุญเลยทำแต่บาปอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล่าให้ฟังเรื่องของการทำบุญถ้าทำบุญก็จะไม่ทำบาปกันทำบาปยากคนทำบุญนี่จะทำบาปยากคนทำบาปนี่จะทำบุญง่ายคนทำบาปนี่จะทำบุญยากคนที่ชอบทำบาปนี่จะทำบุญยาก ถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, <ม>ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหวย<ม>ต้องเป็นพวกที่ต้องมาขอส่วนบุญของของพวกที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยที่เราทำบุญเสร็จแล้วเราอุทิศบุญไปนี่ก็อุทิศให้พวกนี้แหละเป็นพวกเดียวที่จะมารอรับบุญโลกเดรัจฉานเขาก็หากินของเขาเองได้ พวกที่อีกพวกหนึ่งที่อไปอยู่บอาบายก็พวกอสุรกายหรือบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็เรียกวพวกผีตรงนี้ก็ทํำบาปด้วยความกลัวกลัวไปหมดก ล, ก, กลัวยุงกลัวยุงกลัวมดกลัวแมลงกลัวอะไรอฉีดมันฆ่ามัน เ, เพื่อจะได้ไม่ให้มันมารบกวนเร า, เาตายไป ถ้าทำบาปมากกาทำบุญก็ต้องไปรับผลบาปก่อนก่อนที่จะไปรับผลบุญทีหลังบุญที่ทำก็ยังยังไม่หายไปไหนเพียงแต่ว่ายังไม่มีโอกาสแสดงผลเพราะว่าตัวบาปมันมีมากกว่าพวกนี้ก็เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเพเวลาเรานอนหลับฝันร้ายฝันว่าถูกคนนั้นมาตามฆ่ามากระมาฆ่าม า, า, มาแกงมา ฝันว่ามีแต่ภัยอะไรรอบด้านพวกนี้เป็นพวกกสูลกายจิตจะฝันจะเพอ้ออยู่ในในภพนั้นไปจนกว่าจะหมดกำลังถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกพวกหนึ่งที่ไปอบายก็คือนรกนรกนี่นก็คือดวงวิญญาณที่มีแต่ความร้อนร้อมด้วยความอาฆาตพยาบาทร้อนด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้ ตรงนี้เวลาใครทำอะไรให้ไม่พอใจนี้จะโกรธจะเกลียดแล้วก็จะตอบโต้อย่างรุนแรงฟันต่อฟันตาต่อตาฆ่ากันใครยามไม่ได้ยามจัดการนั้นตรงนี้ฆ่าด้วยความโกรธเกลียดก็จะไม่มีร่างกายจะมีดวงวิญญาณที่มีแต่ความร้อนจนกว่า บาปที่ทำไว้มันหมดกำลังถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มนุษย์นี่ถือว่าเป็นพวกที่อยู่กลางกลางบาปสุขทุกขห้าสิบห้าสิบเวลาที่บุญกับบาปมันเหลืออยู่เท่ากันมันก็มาเป็นมนุษย์บาปห้าสิบบุญห้าสิบบาปจะดึงไปอบายก็ดึงไปไม่ได้บุญจะดึงไปสุขคติ แต่พบที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ก็ดึงไปไม่ได้พอบุญกับบาปมันมีกำลังเท่ากันก็มาเกิดเป็นมนุษย์กันแล้วก็มาทาบุญทาบาปกันต่อไปาะมีความอยากได้สิ่งต่างๆเวลาอยากได้อะไรมันก็ต้องหามาการหาก็มีสองวิธีหาด้วยการทำบาปหาด้วยการไม่ทำบาป ถ้าหาด้วยการไม่ทำบาปได้ก็ปลอดภัยถ้าหาไม่ได้ก็ต้องหาด้วยการทำบาปถ้ายังอยากได้อยู่อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ไปทำบาปกันคือความอยากได้สิ่งต่างๆอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้คนนั้นคนนี้มาเป็นแฟนก็บางทีไปขอคำไม่ได้ก็เลย ชวนเขาหนีไปหนีพ่อหนีแม่เขาไปอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการทำบาปทำผิดประเวณีถ้าไม่ทำบาปไม่ผิดประเวณีก็ต้องไปสู่ขอกันเพราะคนนี้มีเจ้าของพ่อแม่เป็นเจ้าของลูกยาวลูกเขาไปก็ต้องมาขออนุ ญ, ญาตเขาก่อนถ้าพ่อแม่เขาอนุ ญ, ญาตก็ไม่บาปเลย แต่ถ้าเอาเดยที่พ่อแม่ไม่อนุญาตนี่บาปนี่คือเรื่องของเวลามาเป็นมนุษย์ว่าทาไมถึงไปทำบาปกันเพราะมีความอยากสามประการอยา ก, กยกอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอยากได้ลาบยศสรรเสริญแล้วถ้าได้มาแล้วก็อยากไม่เสียอยากจะเก็บไว้ก็บางทีก็ต้องทำบาปเพื่อที่จะรักษา ลาบยศเสริญรักษารูกเสียงกลิ่นรสที่ได้มาเวลาไม่มีก็ต้องหาหาโดยวิธีไม่ทํำบาปไม่ได้ก็ถ้ายังอยากได้อยู่ก็ต้องไปทําด้วยการทำบาปเนี่ยคนไปลักทรัพย์กันเนี่ยพออยากได้ทรัพย์ไปซื้ออะไรต่างๆโรคติดยาเสพติดก็อยากจะเสพยาไม่มีเงินซื้อยาก็ต้องไปขโมยเงินขโมยของกัน แ่วนวัญญ า, านี้โดนด้วยสายไฟฟ้านี่มันตัดไปเรื่อยเอาเอาทองแดงสายไฟฟ้าไปขายสายโทรศัพท์เนี่ยบางทีก็ถูกตัดอินเทอร์เน็ตก็ใช้ไม่ได้เป็นวันโทรศัพท์ mm hmm. แถวรอบวันนี่มีคนยากจนที่ไม่ค่อยดูแลลูกเลี้ยงดูลูกลูกเกเรลูกติดยาเสบติดกัน มังยางบางทีก็มาขโมยตู้เบอร์จากยกไปทั้งตู้เลยของอะไรตำหนักของในเหลืองนี่เครื่องปรับอากาศมันก็มาขโมยกันไปพวกนี้เวลาอยากจะได้เงินไปซื้อยาเสพติดแล้วมันมันต้องทำบาปเพราะมันทนไม่ได้ถ้าไม่ได้เสพยาเสพติดมันทรมาน นี่คือทำไมคนเราจึงต้องมาทำบาป ก, กันก็เพราะว่ามีความอยากแต่ถ้าเป็นคนที่โชคดีเกิดในครอบครัวที่มีฐานะก็ไม่ต้องไปทำบาปเพราะอยากได้อะไรก็ขอพ่อขอแม่แม่ก็ให้แล้วก็คนที่มีฐานะก็มักจะมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรสิ่งที่ดีต่างๆ ได้เรียนหนังสือได้ไปวัดก็จะได้เรียนรู้ว่าการทำบาปไม่ดีการทำบุญดีตรงนี้ก็จะมีโอกาสได้ทำบุญได้ทำบุญด้วยแล้วก็ได้ละบาปด้วยแต่ก็ทำได้เพียงแค่นี้เพราะยังอยากอยู่ยังอยากรวยยังอยากยังอยากซื้อของ ต, ต่างๆยังอยากมีความสุขอยู่ก็ยังไม่ไปคิดไปหยุด การหยุดความอยากที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเหตุที่ทำให้สัตว์โลกต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ยังเพราะความอยากยังอยากเสพกามอยู่บางทีอยากเสพกามอยู่ก็เลยต้องกลับมาเกิดในการมาพบเนี่ยถ้าทำบาปก็กลับมาเกิดในอบายถ้าทำบุญก็ไปเกิดเป็นเทวดากันก่อน ไปรับผลบุญผู้ที่ทำบุญมากกว่าทำบาปตอนร่างกายตายไปแล้วก็ไปรับผลบุญไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆขึ้นอยู่กับปริมาณบุญที่ทำมากน้อยทำน้อยก็เป็นเทวดาขั้นต่าทำมากก็เป็นเทวดาขั้นสูงความสุขก็ต่างกันไปตามระดับเหมือนโรงแรมที่มีดาวต่างกัน ถ้าดาวมากก็จ่ายมากก็ความสุขก็มากถ้าจ่ายน้อยเอบริการก็น้อยความสุขก็น้อยเออเหมือนกันเนี่ยเปรียบที่ที่เราอยู่กันเนี่ยมันก็เหมือนกับหาสวรรค์กันใช่ไหมหาเงินหาทองเพื่อขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นกันเนี่ยหาเงินแล้วเวลาไปเที่ยวก็ไปเที่ย ว, ยวชั้นหนึ่งได้หมดขึ้นเครื่องก็ขึ้นชั้นหนึ่งไม่ต้องไปนั่งเป็นปลากระป๋องอยู่ในชั้น ชันอีคอนมี่อะไรเนี่ยน้ำก็ไม่มีดืม่มกาแฟก็ไม่มีกินถ้ากินก็ต้องซื้อแต่ถ้าอยู่ชั้นหนึ่งนี่อ้มีทุกอย่างต้องการอะไรครับเนี่ยต้องการอะไรคะสั่งได้บอกได้เครื่องดื่มทุกชนิดมีทั้งแชมเปญมีทั้งไวน์แล้วก็ไม่ได้ใส่แก้วพลาสติกมาให้เป็นจานเป็นอะไรเหมือน โรงแรมห้าดาวเลยแต่ต้องจ่ายถึงจะเข้าไปนั่งอยู่ชั้นนั้นได้พวกที่จะไปชั้นสูงๆนี่มีน้อยเนี่ยเครื่องนี้ชั้นหนึ่งนี้มีไม่กี่ที่นั่งมีแค่สิบกว่าที่นั่งเนี่ยพอมีมากกว่านั้นก็ไม่มีใครซื้อไม่มีใครขึ้นไปนั่งเขาก็เลยมีไม่กี่ที่นั่งส่วนในชั้นชั้นชั้นประหยัดนี่โอหเป็นร้อยที่นั่งเ คือพวกที่ชอบทําบุญน้อยอยังชอบเที่ยวอยู่เอาเงินไปเที่ยวดีกว่าเสียดายทาบุญแล้วกลวนไม่แน่ใจว่าทําบุญแล้วศูญย์เปล่าหรือเปล่าย <c oughs> ิ่งพอเป็นสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี้จะมีคนน้อยลงไปเรื่อยๆมีดวงวิญญาณไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสูงนี่น้อยขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับโงรงแรมเหมือนกับเครื่องบินชั้นที่หนึ่งเนี่ยคนนั่งจะน้อยกว่า เพราะว่าราคามันแพงไงแพงกว่าสองสามเท่าก็คนก็อยากจะประหยัดเอาไปใช้อย่างอื่นหรือไม่มีก็เหมือนกันเวลามีชีวิตอยู่ก็อยากจะเอาเงินไปซื้ อ, อย่างอื่นไม่อยากจะทำบุญเงินก็เลยเวลาตายไปก็ไปสวรรค์ชั้นไม่สูงแล้วก็อยู่ไม่นานนี่ก็คือการมาพบเนี่ยมีอยู่ สองส่วนเรียกว่าสุกติกับทุกติสุกติก็เนี่ยที่เป็นเทวดาทั้งหลายมนุษย์นี้อยู่กลางๆอยู่ระหว่างสุกติกับทุกติมีทุกข์กับสุขประมาณห้าสิบห้าสิบถ้าไปอบายก็มีทุกข์มากกว่าสุขทุกสุขแทบจะไม่มีเลยก็มีบ้างเดรัฉานเขาก็มีความสุข เขายังได้กินอิ่มเขายังได้เสพกรามอยู่เขาก็มีความสุขจากการเสพกรามของเขาแต่เขาก็มีทุกจากการที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเหมือนมนุษย์อยู่กันต้องอยู่ตามโพงไม้อยู่ตามอะไรไปความปลอดภัยก็น้อยกว่าอาจจะถูกอะไรมากัดตายตอนนอนหลับก็ได้นี่คือการมาพบ ส่วนใหญ่จะอยู่อบายกันมากกว่าเพราะรู้สึกว่ามัดูเดรัจฉานเยอะไหมถ้าเปรียบกับจํานวนของมนุษย์นี่ยในป่าเนี่ยนอกจากสัตว์ใหญ่แล้วดูสัตว์เล็กสัตว์น้อยมดแมลงอะไรต่างๆไส้เดินนอนเหนือนในมันจะมากกว่ามนุษย์ในทะเลเนี่ยอยู่ในในลำลำธารลําห้วยในในทะเลสาบในอะไรเนี่ย ปลานี่สัตว์ในน้ำนี่เยอะแยะไปหมดเลยะนั้นพวกที่ทาบาปนี่เยอะกว่าพวกทาบุญครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบว่าพวกทาบาปนี่เหมือนพวกขนวัวพวกทาบุญนี่เหมือนพวกเขาวัววัวตัวหนึ่งมันมีเขาแค่สองเขาแต่นี้มีขนนับไม่ถ้วนเลยนี่คือ การมาพบนะจะมีมากไปในในในพวกอบายเพราะชอบอบายมุกกันเนชอบเดิมเซราชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวกลางคืนชอบเที่ยวดูของนเล่นต่างๆชอบความเกลียดข้านชอบคบคนไม่ดีเป็นมิตรอันตรพาชอบคบคนที่ไม่ชอบธรรมหากินโดยวิธีสุดจริต ตรงนี้ก็จะไปทําบาป ก, กันพราะเวลาเสพอบายามุกนี้มันไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเดิมซูลานี้ไม่มีรายได้เล่นการพ น, น, นันนี้ส่วนใหญ่ก็เจ๊งไม่มีใครรวยหรอกจากการเล่นการพ น, นันเที่ยวก็มีแต่จ่ายเที่ยวกลางคืนก็จ่ายเที่ยวเที่ยวท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างก็มีแต่รายจ่ายเมื่อจ่ายหมดแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาเมื่อไม่มีงานทํา พ่อโมโ่แต่ไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปดื่มกันก็ต้องไปหาเงินด้วยวิธีรักขโ ม, โมยก็ไปทำบาป ก, กันหนึ่งนี่คือที่มาของการทำบาปเ <c oughs> พราะไปเสพอบายามุขกันเสพยาเสพติดกันแล้วก็ไปขโมยของวัดกันขโมยของบริจาครู้บริจาคอะไรต่างๆอันนี้ เรียกว่าอบาับอายก็ไปอบายเพราะว่าชอบเสพอบายพอเสพอบายแล้วเดี๋ยวต้องทำบาปไม่ช้าก็เลยก็ต้องทําบาปเพราะไม่มีไรายได้การเสพอบายมุกนี่ไม่มีไรายได้มีแต่รายจ่ายต่อให้มีเงินมากน้อยเพียงไรถ้าไปเล่นการพ น, นั้นเดี๋ยวก็หมดหมดตัวการพนันนี้ถ้าว่ามัน มันโหดล่ายิ่งกว่าขโมยโจรขึ้นบ้านนะขโมยขึ้นบ้านมันเอาไปแค่ทรัพย์สินนะบ้านมันยังเอาไปไม่ได้โฉนดที่ดินมันยังเอาไปไม่ได้ไฟไหม้มันก็ยังเอาแค่บ้านนั้นเองไหม้บ้านไหม้ของแต่โฉนดที่ดินยังอยู่ที่ดินยังอยู่แต่แต่ผีพนันนี่มันเอาหมดเลยขายหมดแล้วขายเอาชีวิตด้วย บันทีขายบ้านขายช่องขายที่แล้วยังอยากเล่นต่อก็ไปยืมเงินเขาอีกยืมเงินมาเล่นต่อพอเสียแล้วไม่มีเงินจ่ายเขาเขาก็มาฆ่าเราสิเนียบายโทษของอบายทําให้ต้องไปทําบาปทําให้ต้องเสียหมดมีอะไรทั้งทุกอย่างเสียหมดเสียหมดแล้วก็ต้องไปทําบาปเพื่อจะได้มีอะไรมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ยิงไปอบายกันเยอะนอกจากพวกที่เสพอบายแล้วพวกที่ชอบหากินแบบสะดวกง่ายๆก็ยิงนกตกปลาทําเป็นอาชีพกันเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไป่า่าสัตว์กันไปก็ไปเป็นเดรัจฉานแล้วพวกที่กลัวก่ามดมแมลงอะไรต่างตายไปก็ไปเป็นมดเป็นมแมลงไปฆ่าเขาเป็นอะไรก็ต้องกลับไปเป็นอย่างนั้นให้ออกข่า ข้าแมลงก็ต้องไปเป็นแมลงเห้เขาค่าข้าหนอนก็ต้องไปเป็นนอนให้เข้าค่านี่คือที่ไปของสัตว์โลกที่ก่อนพระพุทธเจ้ามาตรัสรูก้ก็ก็รู้กันรู้เรื่องบุญเรื่องบาปกันรู้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดกันแต่ไม่รู้วิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดกัน อันนี้พูดถึงพบแรกกามาพบเนี่ยส่วนใหญ่สัตว์โลกทั้งหลายจะอยู่กับอยู่วนเวียนกับการมาพบกันเพราะรูประพบกับอรูประพบนี่มันเป็นพบที่ที่ยากที่จะไปถึงเพราะผู้ที่จะไปถึงรูประพบกับอรูประพบได้นี่ต้องเป็นพวกที่นั่งสมาธิได้รูปประชานได้อรูปประชานคนที่จะนั่งสมาธิก็ต้องเป็นพวกถือศีลแปะพวกนักบวช นักบวชนูได้มีกี่คนในประเทศไทยมีสองสามแสนบวชเป็นพระมีประชากรเจ็ดสิบล้านถ้าประชากรเจ็ดเจ็ดันล้านเนี่ยก็มีนักบวชไม่กี่คนเห็นพวกที่จะไปสู่รูปประชาอรูปประชาสู่รูปประพรมอรูประพรมเนี่คือรูปประพภก็คือเป็นพรมรูปประพรมอารูปประพภก็เป็นลวกอารูประพรม เป็นสวรรค์ชั้นพรหมเป็นสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ห้าดาวบริการดีกว่าเพราะว่าเป็นเป็นเหมือนกับเป็นโรงแรมเฉพาะคนคนเดียวเลยบริการคนเดียวไม่มีลูกค้าอื่นรับเพียงลูกค้าคนเดียวโรงแรมนี้โรงแรมลูกค้าคนหนึ่งนี้คนรับใช้บริการเป็นร้อยให้ความสุขทุกรูปแบบ ความสุขที่ได้จากรู ป, ปรชาณารู ป, ปรชาณนี้มันเหนือกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสแต่จะไปได้มันยากถ้าเป็นเครื่องบินก็ต้องชตําเลยไม่ใช่ชั้นหนึ่งอย่างเดียวต้องเหมาทั้งลําเลยไปคนเดียวทั้งลำบริการเราคนเดียวมีห้องน้ำมีมีห้องนอนมีห้องอาหารอยู่บนเครื่องเลย มีห้องรับแขกมีห้องอะไรรับแขกรับคนเห็นไหมเรือเป็นของพัฒนาธิบดีเนี่ย เ, เขามีห้องนอนมีห้องรับแขกมีห้องประชุมมีครบทุกอย่างเป็นเหมือนทำเนียบขาวเคลื่อนที่เลยพวกที่จะไประดับไ ด, ได้ก็ต้องเนี่ยต้องเป็นนัก บ, บวชกันบวชชีบวชบวพระบวชพรามกัน ถือศี8กันอยู่วัดฝึกสมาธิการทําใจให้สงบถ้าจจได้สงบขั้นต่างเรื่องต่างขั้นฌานขั้นที่หนึ่งไปก็ได้รูปฌานรูปฌานก็มี4 4่สี่ชั้นชั้นหชั้น2ชั้น3ชั้น4รูปปภรมก็มีอยู่4ชั้นแลถ้ามีความสามารถที่จะไปได้ลึกกว่านั้นก็ไปอรูปฌานอีก4ชั้น ก็จะได้ไปเป็นอรูปประภมแต่สวรรค์ชั้นนี้ก็ยังมีมวันเสื่อมมีวันหมดได้พอกำลังของบุญที่ส่งไปหมดเหมือนกับเงินใช้เงินหมดเช่าเรือบินเหมาลำหมดก็ต้องลงมาเช่าชั้นหนึ่งชื่อตีตั๋วชั้นหนึ่งแทนพอชั้นหนึ่งหมดก็ต้องมาตีตั๋วชั้นชั้นสองชั้นสามไปตามลำดับ พอหมดเงินก็ไม่มีเงินซื้อตั๋วขึ้นเครื่องบินก็ไปเที่ยวไม่ได้ก็กลับมาทำงานหาเงินใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ น, นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายศาสนาก็สอนได้แค่นี้สอนให้ไปได้แค่ชั้นอรูปปภุมิสมัยที่พระเจ้าศึกษาเรียนก็ได้เรียนแค่ขั้นอรูปภมิ มีอาจารย์ที่สอนอรูปฌานรูปฌานฉันก็ได้สวรรค์ชั้นรูปฌานอารูปฌาน <c oughs> แต่เป็นสวรรค์ที่ยังต้องเสื่อมเพราะว่ายัางไม่ได้ทําลายตัวที่จะทําให้กลับมาเกิดใหม่ก็คือความอยากความอยากสามประการกรยกับอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีความสุขอยากได้ลาบยศสเสริญสุข อยากอยากมีความสุขต่างๆสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายรู้สุขจากการนั่งสมาธิแล้วก็อยากให้ไม่ความสุขเหล่านี้เสื่อมไปหมดไปก็จะเป็นเหตุที่ทำให้ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะเวลามันหมดก็อยากจะได้ใหม่ก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาทำบุญใหม่กลับมาทำบาปใหม่กลับมานั่งสมาธิใหม่ แล้วก็กลับไปใหม่เวลาร่างกาย ต, ตายไปก็กลับไปเกิดบุญสวรรค์ชั้นต่างๆใหม่หรือไปเกิดในบาชั้นต่างๆใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่พอใจแต่ว่าท่านไม่ต้องการกลับมาเกิดเลยไปถามใครครับไม่มีใครรู้วิธีก็เลยต้องค้นหาเองจอนนี้ศึกพบว่ามันเกิดจากความอยากในใจนี้เอง ก็เลยต้องหยุดความอยากไม่ทำตามความอยากพออยากอะไรก็ไม่ทำอยากดูก็ไม่ดูอยากฟังก็ไม่ฟังอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ต้องหยุดมันมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันแก่มันเจ็บมันตายไปพอหยุดได้ปั๊บใจก็เบาสบายหายทุกข์หายอยากไม่ต้องกลับมารู้แล้วว่าไม่ต้องไม่มีความอยากที่จะตามห้่กลับมาเกิดอีกแล้ว รูปเสียงกลิ่นลดก็ไม่อยากได้ความสุขในโลกนี้ก็ไม่อยากได้ความสุขจากสมาธิก็ไม่อยากได้ความสุขจากบุญก็ไม่อยากได้บาปก็ไม่ทำตัดความอยากเมื่อไม่มีความอยากเราก็ไม่ต้องทำบาปไม่ต้องทำบุญไม่ต้องนั่งสมาธิพอใจไม่มีความอยากแล้วเป็นใจที่สุขยิ่งกว่าความสุขต่างๆที่ได้ พระวุทธเจ้าก็เลยได้ได้พบทางที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดได้ไปถึงนิพพานนิพพานก็คือใจที่หมดความอยากเหมือนกับเราซักเสื้อผ้าที่สกปรกให้มันสะอาดเนี่ยให้มันสะอาดเลยแล้วมันก็จะไม่มีเชื้อไม่มีอะไร ที่จะทำให้เสื้อผ้าโสกปกอีกต่อไปเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ไม่มีเชื้อก็จะทำให้จิตนี้ที่สะอาดนี้ไม่มีภพชาติอีกต่อไปความอยากเสพการไม่มีก็ไม่เกิดในการมาพบความอยากเสพความสงบที่ของสมาธิก็ไม่มีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในสวรรค์ชั้นพรก็มีเมื่อไม่กลับมาเกิดก็มีที่อยู่ที่เดียวก็คือนิพพาน นิพพานก็คือดวงวิญญาณที่ไม่ต้องไปมีภพชาติอีกต่อไปอันนี้คือธรรมะที่พระเจ้ามาสอนพวกเราที่สอนถ้าเราอยากจะไม่กลับมาเกิดอยากจะพ้นทุกข์ต้องมาศึกษาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคสอนความรู้ของพระเจ้านี้เป็นความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวรอดได้ความทุก ความรู้ที่ทำให้เร า, า, า, า, อ า, อาอเราอดพ้นจากความทุกข์ได้ความรู้อย่างอื่นในโลกนี้ทำให้เรารอดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้ได้อย่างมากก็แค่สวรรค์ชั้นพรหมรอดพ้นจากความทุกข์ชั่วคราวเวลาไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมเวลาไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทพไม่มีความทุกข์พวกนี้มีแต่ความสุขแต่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาเจอความทุกข์ของการแก่การเจ็บการตาย การเลี้ยงปากเลี้ยงท้องการพัดภาคจากของที่เรารักจากบุคคลที่เรารักหรือไม่เชนั้นถ้าไปทำบาป ก, ก็ต้องไปเจอความทุกข์ในอบายกันแต่ถ้าไม่กลับมาเกิดแล้วก็ไม่มีแล้วลอดพ้นจากความทุกข์จะรอดได้ก็ต้องต้องเอาคำสอนของพระเจ้ามาใช้ คำสานพรจ้าก็คือบอกให้หยุดความอยากเสียให้ละความอยากละกามะตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาความอยากได้รูปเสียงกลิ่นลดอยากเสบรูปเสียงกลิ่นลดภาวะตันหาก็คือความอยากเสพความความสงบความสุขวิภาวะตันหาก็คือความอยากไม่สูญเสียความสุขที่เราได้มา ได้ร่างกายมาก็ไม่อยากจะสูญเสียได้ชาตมาก็ไม่อย yes ากจะสูญเสียแต่ของพวกนี้ห้ามมันไม่ได้ถึงเวลามันก็ต้องเสื่อมไปตามธรรมดามันเสื่อมยังอยากอยากได้มันอยู่ก็เลยต้องกลับมาหามันใหม่แต่ถ้าหยุดความอยากได้รู้ว่าถ้ากลับมาหาถ้าอยากก็ต้องกลับมาหาต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าไม่อยากก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าอยากกาแฟก็ไม่ดื่ม อยากดูหนังก็ไม่ดูอยากฟังเพลงก็ไม่ฟังอยากมีแฟนก็ไม่ไม่มีตัดหมดทุกอย่างตัดความอยากทั้งหมดอยากได้ฌานก็ไม่เอาแต่ต้องมีฌานก่อนถึงจะหยุดความอยากได้ตอนต้นไม่มีฌานก็ต้องมีฌานก่อนแต่พอมีฌานแล้วก็ต้องทิ้งทิ้งฌานอย่าไปติดฌาน ถ้าติดชานก็ตัดนี่ก็ยังถือว่ายังอยากอยากได้ชางอยู่เราต้องมีชาญไม่เป็นบันไดเป็นเครื่องมือให้เรามีกำลังหยุดความอยากพอเรามีกำลังแล้วเราจะหยุดความอยากรูปเสียงกลิ่นลดได้หยุดความอยากในชานได้พอหยุดได้หมดแล้วก็สบายอยู่เฉยๆก็มีความสุข ตัวที่ทำให้เราวุ่นวายกันก็คือตัวความอยากนี่แหละพออยากได้ไรนี้เป็นไงใจเป็นปกติไหมกระวนกระวายขึ้นมาแล้วกระสับกระส่ายจะได้ไหมจะได้หรือเปล่าอยากได้อยากได้กาแฟกาแฟสั่งแล้วไม่เห็นมาทักทีนั่งรออยู่นี่อยากซืบอก็เี่อยากอะไรมันทำให้ใจเราสั่นล่ะ พวกที่ติดยาเสพติดพอมันอยากแล้วมันสั่นไปทั้งตัวทั้งใจทั้งมันจนทนไม่ไหวมันถึงต้องไปขโมยเงินขโมยทองไปซื้อยาเสพติดมาเสพพอมันเสพปั๊บมันก็หายสั่นชั่วข่าวแต่เดี๋ยวมันไม่หายหมดเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ถ้าอยากจะให้มันหายก็ให้มันสั่นไปจนเรื่งมันหมดฤทธิ์อย่าไปเสพมันให้มันลงแดงตายไปเลยแต่ถ้าใจที่มีสมาธินี่มันจะสู้ได้ จะไม่สั่นมันจะนิ่งมันจะทนกับความอยากได้แล้วพอลิของความอยากหมดปั๊บมันก็หายเห mm hmm. ็นการที่เราจะหยุดความอยากได้เราจึงต้องมีสมาธิก่อนมีฌานก่อนแต่พอเราหยุดความอยากได้หมดแล้วความอยากในฌานก็ต้องทิ้งไปด้วย mm hmm. มันเป็นเครื่องมือ mm hmm. มันเป็นเหมือนบันไดที่จะพาเราไปสู่ ห้องที่เราต้องการไปแต่ถ้าเรายังไม่ทิ้งบันไดเรายังอยู่กับบันไดยอยู่แล้วก็เข้าห้องไม่ได้พอโดนขึ้นบันไดพอถึงห้องถึงชั้นที่เราจะต้องไปเราก็ต้องทิ้งบันไดละเราต้องทิ้งศีลสมาธิไปหมดเราถึงจะเข้าห้องได้ห้องที่ไม่มีความอยากนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พวกเรามาฟังกันฟังแล้วขั้นต่อไปต้องเอาไปทำถ้าไม่ทำฟังไปก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาเสียเวลาคนพูดเสียเวลาคนฟังไม่เกิดประโยชน์ยังไม่พ้นทุกยังต้องเวียนว่าตายเกิดอยู่เหมือนเดิมแต่พวกที่ฟังแล้วเอาไปปฏิบัติตามได้ก็ก็พ้นทุกข์กันกลายเป็นพระอาหารหันตสาวกกัน พวกนี้เขาฟังแล้วเขาเอาไปปฏิบัติพระเจ้าสอนให้ทาบุญก็ทาบุญสอนให้ละบาปก็ละบาปสอนให้กำจัดความอยากทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์เขาก็เขาก็กำจัดหยุดความอยากอยากอะไรก็ไม่ทำตามมันพอหยุดแล้วปั๊บมันก็ทักปั๊บเดี๋ยวมันก็หายอยากแล้วมันจะไม่กลับมารบกวนใจเราอีกต่อไปไม่มาลากให้เรากลับมาเกิดใหม่ อ่ามันอยากแล้วทำตามมันเดี๋ยวมันกลับมาชวนใหม่อยากกินกาแฟเอากินเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันกลับมาชวนเอาอีกแก้วไหมเอาอีกม้วนไม้มบุหรี่เอาอีกถ้วยไหมเหล้ า, ามันจะชวนอยู่เรื่อ ย, อยแต่ถ้าเราไม่เอาปั๊บมันไม่กลับมาชวนแล้วมันรู้ว่าเราไม่เอาละนี่คือ ความรู้ที่จะทำให้เราเอาตัวรอดได้ความรู้ที่ทำให้เราเอาตัวรอดรอดพ้นจากความทุกข์ได้คือความรู้ของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระธรรมพระธรรมคำสอนเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราเอามาปฏิบัติกันถ้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนเคยเรียนวิธีทากับข้าว เรียนเสร็จก็ไม่กลับไปทำกับข้าวก็ไม่มีข้าวกินเมื่อรู้จากวิธีทำกับข้าวแล้วก็ต้องเอาไปทำพอทำกับข้าวมันก็จะมีข้าวกินกินแล้วมันก็จะได้อิ่มสบายพอเอาความรู้ของพระเจ้าจมาปฏิบัติมันก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์รอดพ้นจากความทุกข์ไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ฉันขอให้เห็นใจคนพูดนคนสอนอย่าเอาแต่ฟังมาฟังทำค่ะถามที่ไรก็มาฟังทำทุกทีถามฟังแล้วเอาไปทําอะไรบ้างฟังแล้วมัต้องเอาไปปฏิบัติท่ถ <Yeah. S 1> ้านยับอกให้ปฏิบัติบูชา <Yeah. S 1> เพราะจะทําให้คนสอนมีกําลังใจสอนสอนแล้วมีนักเรียนเรียนจบ ก, กัน สอนแนนี่ก็ยังอยู่ปหนึ่งกันอยู่นะเรียนกันกี่ปีมันก็ยังอยู่ปหนึ่งอยี้นะยังไม่ได้ปริญญาตีกันทีสอนนี้ครูก็เหนื่อยไม่อยากจะสอนแต่ถ้าเห็นลูกศิษย์รับปริญญาโอ้โหครูก็ชื่นใจเวลาได้ปริญญาเอาเอาเอาปริญญาไปอวดครูที่สอนชั้นปหนึ่งดูเลยเนี่ยหนูได้ปริญญาแล้วค่ะ ตอนครูก็เห็นเราได้เป็นยาเขาโอ้เขาก็ดีใจเขาก็จะมีความสุขเขาได้ทำหน้าที่ของเขาแล้วพายเรือพาเราข้ามฟากแล้วถึงฝั่งแล้วปลอดภัยแล้วนะฟังแล้วก็ขอให้เอาไปปฏิบัติเอาแล้วนะาจะอนุโมทนาให้พร ยทาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกาปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจัตุสาเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปณะอรโสยทามณิโชติ ระโสยะถาสพภิติโยวิวัชันตุสัพพะรโควินัสตุมาเตภวัตตะวันตรายุสุขีธีคายุโกภวะอภิวาทนศิลิตสนิจังุทธาปจายิโนจตารุธรรมาวทาติอายุวันุสุขัง อา ล, า, าลังพอใจยังได้ฟังทำและไร<ป>ดีดีชั่วเท่ากันทํำไมาเกิดมาแล้วเป็ น, นคนคนที่มมแตก่าเรารู้ได้ไงว่าเท่ากันอนะ่ะเรามีเครื่องวัดเอ่ะเราไปดูเข า, าบอกว่าชั่วกับดีเท่ากันถึงเกิดอ่าเกิดว่าบาปประมันไม่มีกําลังจะดึงเราไปสวรรค์เรื่องดึงเราไปอาบาย มันก็เลยต้องกลับมาเป็นมนุษย์แต่พอมันเป็นมนุษย์แล้วมันทำไมมีความไม่เท่าก็ เ, าเริ่มทำบุญทำบาปไม่เท่ากันนะแต่บางคนเกิดมาเกิดในที่ดีก็เสวยสุขกว่าก็เลยนึกว่าเขามาเพราะว่าบุญเขาดีกว่าเขาก็เลยไม่ทำบุญเขาประมาทเขาก็เลยทำบาปแทนพอตายไปเขาก็ไปอบายคนที่มาแล้วเกิดไม่ดีรู้ว่าไม่ดีเพราะทบาปก็พยายามเร่งการทาบาป พยายามทำบุญให้มากพอตายไปก็บุญมากกับบาป ก, ก็ลิงไปสวรรค์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเนี่หลายมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เราทำบุญทำบาปครอบครัวเราหมู่บ้านเราสังคมเรามันเป็นยังไงยุคนี้มันเริ่มเป็นสังคมที่ชวนทำบากปกัมากกว่าทำบุญสังคมของปู่ย่าตายายเราเนี่ยเขาชวนทำบุญมากกว่าทำบาป เป็นสังคมครอบครัวด้วยครอบครัวที่เราอยู่ถ้าเป็นครอบครัวชอบทำบุญเขาก็จะดึงให้เรา <c oughs> ไปทำบุญครอบครัวที่ชอบทำบาปเขาก็จะดึงให้เราไปทำบาปแลวก็อยู่ที่นิสัยสันดานเราอีกด้วยถ้าเรามีสันดานที่ไม่ชอบทำบาปถึงแม้เขาจะชวนไปทำบาปเราก็ไม่ทาไปทำก็ได้ถ้าเรามีสันดานชอบทำบาปเขาชวนเราไปทาบุญแล้วก็ไม่ชอบทาบุญก็ได้ มันมีหลายเหตุหลายปัจจัยที่จะทำให้เราไปทำบุญแลวทำบาป ก, กั น, นตอนนี้เรามีศาสนาพุทธมาคอยดึงให้เราไปทำบุญให้เราละาบาป ก, กันถ้าเราเชื่อเราก็จะพยายามรักษาศีลห้ากันไปพยายามทำบุญกันไปอยู่เรื่อยๆมีเงินก็แทนที่จะเอาไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นก็เอาไปทำบุญทำกับพระทำกับโรงเรียนทากับโรงพยาบาล ทำกับคนยากจนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องทํากับพระทํากับวัดอย่างเดียวอืถ้าเห็นว่าวัดมีเหลือเฟือแล้วก็ไปทํากับผู้ที่เขาขาดแคลนต่อไปได้บุญเหมือนกันยังถ้าเกิดไม่มีพระพุทธศาสนาคนก็ทําบุญไม่ได้ทิ่ถ้าต้องทําบุญกับพระอย่างเดียวเอเขาก็ทําบุญกันทุกยุคทุกสมัยก็มีการทําบุญกันอประเทศที่ไม่มีศาสนาเขาก็ยังทําบุญกันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กัน มีองค์กรสาธารนณะกุศลต่างๆการชาตินี้ก็ทาประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็เป็นการทำบุญพอในใจของคนนี่มีสันดานที่ชอบทําบุญอยู่ก็มีมีสันดานที่ชอบทบําบาปอยู่ก็มีพวกที่มีสันดานชอบทําบุญเขาก็จะทําบุญของเขาไปแต่มีใครสอนไม่ใครสอนเขาก็จะทำพวกที่จะทาบาปก็เหมือนกันมีใครสอนไม่สอนมันก็จะทาบาปของมันไป พวกที่มีสันดานในทางนี้มันจะไปตามสันดานแต่พวกที่มีแต่ไม่มีสันดานแบบกลางๆก็แล้วแต่ใครจะพาไปแไปเกิดอยู่กับบ้านที่เขาชวนทําบุญก็ไปทําบุญกับเขาไปอยู่กับบ้านที่เขาชวนไปทําบาปก็ไปทําบาปกับเขา่ยใจก็มีหลายแบบแบบมีสันดานดีก็มีสันดานชั่วก็มีแบบที่ไม่มีสันดานก็มีแล้วมีก็ไม่ไม่ไม่เป็นสันดานเป็นนิสัย สายนี้มันยังแก้งง่ายกว่าสันดานวันนี้เฟซบ o o กสิดิกับ y youtube เข้ามาเท่าไหร่นะวันนี้ Facebook สูงสุดสี่ร้อยสสิเจ็ค่ะอ่าอ่า u t u b e สูงสุดหนึ่งร้อยส่ค่ะอ youtube เดี๋ยวนี้เริ่มเกินร้อยแล้วนะค่อยๆเจริญเติบโตไป <laughs> เดี๋ยวนี้คนกดชอบก็หนึ่งแสนหนึ่งหมืนแปดแปดพันแล้วมั้ยนะ เป็นแปดพันนะติดตามก็หนึ่งแสนสองหมื่นกว่าพอดีวันเนี้ยที่หนูปฏิบัติธรรมที่ของธนาคารจัดขึ้นนะฮอตอนนี้หวงพท่สอนว่าสิห้าเนี่ยคนจะทาผิดสิบห้าเนี่ยมันไม่ง่ายเลค่ะใช่แล้วค่ะเพราว่าสงสัยเกิดใช่ เนี่ยนั่งเฉยเฉยมันง่ายกว่าไปทําผิดบาปใช่ไหมตอนนี้ไม่ตอนนี้รักษาสี่ห้าได้ทุกอข้อเลยใช่ไหมตอนเนี้ยมันง่ายไหมนั่งเฉยเฉยเนี่ยแต่ทําบาปมันยากไหมจะไปขโมยเงินนี่มันต้องวางแผนอะไรเงี้ยต้องจ้องดูว่าเงินมีอยู่ที่ไหนเอมันยากกว่าแต่คนกลับชอบทํากันของง่ายมันกลับไม่ชอบหรือว่าคนที่เรา ผิดข้อที่มูสานะคะอืมพูดจริงพูดมีจริงนี่มันจะมันจะผิดง่ายมากหนูก็นึกว่ามันทําแบบง่ายมากสีห้าที่จะพูดมันไม่พูดไม่ง่ายกว่าไม่ใช่นะักเลยเป็นแต่หูปากมันก็ไม่ผิดสีแล้วอแต่ที่มันยากเพราใจมันเพราะอยากพูดนะสิตอนใครก็ถามมาปั๊บก็ต้องพูดนะอืเแต่ยมันยากตรงนั้นยากตรงที่ความอยากแต่ถ้าพูดตามหลักแล้วอยู่เฉยๆมันจะยากตรงไหนที่มันยากเพราะเราอยู่เฉยๆไม่เป็นอะสิ อความอยากมันทําให้เราอยู่เฉยเฉยไม่ได้เดี๋ยวก็อยากได้กาแฟแล้วเดี๋ยวเยอยากได้แฟนแ่ะวอยากได้นู่นอยากได้นี่ก็ต้องไปทําละพอไม่มีเงินก็ต้องไปทํำบาปเพื่อจะได้ของที่อยากได้ขึ้นมายากขนาดไหนก็ทํำใช่ไห ม, ไ, มไปขโมยเงินตู้บริจาควันนี้มันง่ายไงต้องจ้องต้องดูต้องอวางแผนก่อนจะไปตอนไหนเวลาไหน เสี่ยงภัยขนาดไหนอันตรายขนาดไห น, น, น, ไหนถูกจับต้องไปติดคุกติดตารางอสู้ไม่ทําง่ายกว่าใช่ไอยู่เฉยๆตอนนี้นั่งอยู่เฉยๆง่ายแต่ปัญหาเรามันคือมันอยู่ไม่เป็นสุขเลยอยู่เฉยๆแล้วมันไม่สุขมันต้องขโมยแล้วมันถึงจะสุขเข้าใจไมันก็เลยเลยต้องขโมยกันเลยต้องทํำบาป ก, กันเวลาใครก็ถามอะไรไม่ตอบแล้วมันรู้สึกอึดอัดพอได้ตอบแล้วมันรู้สึกอ่าโล่ง พข้อความอยากไม่ใช่อะไรหละความอยากมันเลยทำให้เรารักษาศีลยากถ้าคนไม่มีความอยากนี่เขารักษาศีนสบายจะตายหมอยู่เฉยเฉยไม่ต้องทำอะไรอย่างตอนนี้มีศีนห้าข้อแล้วรู้เปล่าเนี่ยตอนนี้ฆ่าสัตว์รู้เปล่าตอนนี้รักษาผู้่าสอร้อยิบเ็ดข้อก็มีเนี่ยของพระก็รักษาได้ตอนนี้ เพราะไม่ได้ทำอะไรนั่งอยู่เฉยมันไม่ได้ผิดศีลข้อไหนเลยของพิกษุณีสามร้อยก่อข้าตอนนี้ก็รักษาได้แต่จะรักษาได้กี่กี่นาทีกี่ชัว่วโมงเท่านั้นแต่ตอนนี้ทุกคนมีศีลหมดแล้วเนี่ยอยู่เฉยเฉยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำบาปไม่ได้พูดบาปแต่เพียงแต่ว่ารักษาได้ไม่ได้นานเท่านั้นเองรักษาได้ไม่กี่ชั่วโมงเนียผิดละ เด็กก็ผิดข้อนั้นเด็กก็ผิดข้อนี้ขึ้นมาแล้วอ่าไม่ทางบ้านไม่ได้ถามมาสองวันแล้ววันนี้คงจะมีคํ <c oughs> ถาถามเข้ามาเยอ ะ, ะเอาจารย์เคะขออีกข้อนึงแล้วค่ะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเรื่องการมาพบเจ้าค่ะเรื่องอบายเจ้าค่ะคืออย่างคูดว่าอย่างผู้ที่จากไปแล้วเเอิญจะไปไปลงอบายงี้เลยค่ะออจิตเขาจะทราบไหมเจ้าเขาว่าเขา กำลังลับกำเพราะเหตุผลอะไรไม่รู้หรอกเดรัจฉานมันก็ไม่รู้ว่าทําไมมันเป็นเดรชาฉานโอ้เขาไม่สามารถไม่รู้หรอกถ้ารู้มันก็ไม่บาปแสิมันไม่รู้กันมันถึงกลับไปที่อยู่เรื่อยๆเราก็ไม่รู้ทําไมเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราถึงกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆถ้าเรารู้ว่าทําไมเราถึงกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็ไม่มาเกิดแล้วก็มีพระพุทธเจ้าคนเดียวที่รู้ไง รู้ว่าอ๋ทำไมถึงต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะความอยากก็เลยตัดความอยากมันเสียก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่ตอนนี้เรารู้ได้ก็รู้เพราะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแต่ก็ยังไม่รู้จริงเดี๋ยวถึงเวลาก็ยังอยากอยู่นั่นแ่ะเดี๋ยวก็ไปทําตามความอยากอยู่เดี๋ยวก็ไปดื่มกาแฟแล้วเดี๋ยวก็ไปดูหนังลนะเดี๋ยวก็ไปฟังเพลงลนะ เดีย๋ยวก็ไปทำอะไรตามความอยากต่อทั้งๆ ท, ที่รู้แต่ไม่มีกำลังสู้มันได้อย่างอยากไม่แก่อยู่ป่ะอยากไม่เจ็บอ ย, อ, ยอยู่ป่ะอยากไม่ตายอยู่ป่ะนี่ก็เป็นความอยากเหมือนกันที่ทำให้กลับมาเกิดใหม่อามาทางบ้านานะั่งคะคำถามจากผู้ฝากถามค่ะ วันนี้หนเจอเรื่องที่ผิดหวังแล้วเสียใจ <c oughs> ทุกใจไปพักหนึ่ง <c oughs> แล้วก็คิดได้ว่าถ้ามัวคิดถึงเหตุผลมันก็มีแต่ทุกข์แล้วหนูก็คิดใหม่ว่าหนูจะไม่สนใจคิดว่าเป็นเรื่องของเขาสิ่งที่หนูควรสนใจคือความรู้สึกหนูเองต่างหากหนูก็คิดว่าต้องพยายามอยู่กับพุทโธพุทโธ <c oughs> เพื่อไม่ให้ไปคิดถึงมันถามว่าหนูคิดและทําแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกครึ่งหนึ่ง คือหยุดความคิดถึงมันได้แต่พอไปคิดถึงมันก็ทุกข์อีกถ้าอยากจะไม่ทุกข์เวลาคิดถึงมันก็ต้องคิดว่ามันเป็นธรรมดาทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้อะไรจะเกิดก็เกิดแล้วมันจะไม่ทุกข์ต่อไปมันใจมันจะรับความจริงยอมรับว่าจะต้องเสียก็เสียจะต้องถูกด่าก็ถูถูกดา่าจะต้อง เกิดอะไรขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นใจก็จะไม่ทุกข์กับอะไรต่อไปข้อที่สองค่ะหนูสังเกตว่าเวลาเจอเรื่องที่มากระทบใจบางครั้งพุทโธพุทโธไปสักพักมันก็หายไม่รู้สึกอะไรอีกแต่บางเรื่องพุทโธพุทโธมันไม่ดีขึ้นถามว่าในเมื่อมีสูตรที่ทำให้ใจสบายได้แล้วแต่ทำไมการใช้เวลาในแต่ละเรื่องที่เราเจอ แล้วไม่สบายใจจึงต่างกันคะขอได้าอาจารย์เมตตาด้วยคะ่ะเพราะความยึดมัน่นถือมั่นมันต่างกันไงรักมากก็ทุกมากรักน้อยก็ทุกน้อยของที่เราไม่รักนี่หายไปเราไม่ทุกเลยใช่ไหมขยะนี่ทุกไหมแต่แหวนเพชร น, นี่เราักมากเลยหายไปทุกทุกไหมก่อนจะหายไม่รู้กี่วันก่อนจะหายทุก อยยังเสียดายยังฮักมันยิ่งรักมากก็ ย, ยิ่งยิ่งยิ่งทุกมากยิ่งแก้ยากถ้ารักน้อยก็แก้จะแก้ง่ายแก้ได้เร็วกว่าถ้าไม่รักเลยก็ไม่ไม่ทุกเลยงั้นหัดอย่าไปรักอะไรแล้ว ก, ก็จะไม่ทุกโทษอยู่ที่ตัวเราไปรักมันเองใช่ไหมไปรักเขาเองพอไปรักแล้วพอเสียเขาก็เลยทุก ที่มันแก้แก้ยากแกงง่ายก็อยู่ที่ว่าเรารักมากรักน้อยของที่เรารักรักน้อยที่สุดถ้าเปรียบเทียบก็คือทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองรักมากกว่านั้นก็อวัยวะหูตาตาเนีย่ยอมเสียทรัพย์เพื่อที่รักษาตาเลยใช่ไหมรักตามากกว่ารักเงินทองใช่หมหลังนี แต่รักตาก็ไม่สู้รักชีวิตไม่ได้ถ้าต้องเสียตายกับเสียชีวิตนี่ก็ยอมเสียตายดีกว่าถ้าหมอบอกว่าถ้าเก็บตาไว้ตายถ้าถอดออกไปไม่ตายก็ต้องยอมเสียตายชีวิตเนี่ยสิ่งที่เรารักมากที่สุดก็คือชีวิตคนอื่นไม่เท่าไหร่คนอื่นก็แล้วแต่บางอย่างบางคนก็รักคนมากกว่ารักเงินบางคนก็รักเงินมากกว่ารักคนแล้วแต่ อันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็รักของนั่นมากกว่าของนี้อันนี้ลักแต่ความชอบถ้าชอบอะไรก็จะรักมากถ้าไม่ชอบเลยก็จะรักน้อยถ้ารักน้อยก็ทุกน้อยถ้ารักมากก็ทุกมากถ้าไม่รักก็ไม่ทุกเลยพระเจ้ามาสอนให้เราอย่ารักอย่ารักอย่าชางังชังก็ทุกอีกในชะ่ไหยกลัวก็ทุกอีกหลงก็ทุกอีก วิธีที่จะไม่ลักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงก็ต้องมานั่งสมาธิทำใจให้เป็นอปปนาสมาธิพอใจรวมเข้าสู่ ป, ปนาก็จะเป็นอุเบกขาอุเบกขาใจก็จะอยู่ที่เฉยเฉยไม่ลักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงพอเรามีอุเบกขาแล้วที่นี้เรามาเจออะไรเราก็เฉยได้ถ้าไม่เฉยเราก็ดึงมันกลับเข้าไปให้มันอยู่ที่เฉยใช้พุโทโธพุโทโธช่วย ถ้าเรามีสมาธิแล้วเราจะแก้ปัญหาได้ง่ายกว่าพุโทโธสองสามคำมันก็กลับเข้าไปในอุเบกขาละขานถักจักจูงการิกาถ้าเคยทําบาปหนักจากการทําแท้งมาแล้วพยายามทําบุญเพื่อไถ่บาปเพื่อจะได้ไม่ต้องตกอบายจากการทําบาปจะเป็นไปได้ไหมเจ้าคะถ้าบุญเราทํามากกว่าบาปก็เป็นไปได้แต่บาปก็ยังมีอยู่ถ้าช่วงไหนบุญน้อยกว่าบาปบาปมันก็จะ ส่งผลเราไปอยู่ดีเราไม่ล้างบาปล้างบาปไม่ได้เพียงแต่ว่าเราเขาเรียกอะไรเหมือนกับศาลตัดสินจําคุกบาให้รอลงอาญาไว้ก่อนถ้าเราทําความดีไว้ศาลก็บอกเออโทษที่ทําไว้รอไว้ก่อนยังทําความดีอยู่แต่ท้อไปถ้าไปทําความไม่ดีเมื่อไหร่ปั๊บก็ให้ไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันการทําบุญมากๆเพื่อให้รอลงอาญาบาก่อนได้อยู่ อย่างองค์คุลิมาใช่ไหมเนี่ยฆ่าคนน้องเก<ม>้าร้อยเก้าสิบเก้าคน<ม>พอมาเจอพระพุทธเจ้าพระพเจ้าสอนให้ทําความดีให้ตัดกิเลสฆ่ากิเลสพอฆ่ากิเลสหมดก็เลยบุญมากกว่าบาปคือนิพพานนไม่ต้องกลับมาเกิดเมื่อไม่ต้องกลับมาเกิดก็ไม่ต้องไปใช้บาปในอบายต่อไปคำถามค่ะคุณลนะูกแต่ไม่หายนะถ้าเกิดยังกลับมาเกิดใหม่ก็ยังต้องเจอบาปอยู่ แต่ถ้าไม่กลับมาเกิดก็ไม่ต้องมาเจอวิบากคำถามจากคุณนุกเวลาผมสวดมนต์มีอาการขนลุกซาบซ่านและน้ำตาไหลอย่างนี้เรียกว่าจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิหรือได่คะ อ, อ๋ออย่าไปสนใจแล้วว่ามันจะเป็นสมาธิแบบไหนขอให้สวดไปเรื่อยๆถ้ามันมีความสุขก็ใช้ได้แต่มันยังไม่ถึงขั้นเต็มที่ขั้นเต็มที่นี้มันต้องว่างสงบนิ่งเป็นอุเบกขา เราต้องการให้ไปถึงตอนนั้นอย่ามานั่งหาป้ายดูว่าป้ายอันนี้มันเขียนว่าอุปจาระหรืออัปปนาหรือการิกะอันเดี๋ยวก็ไปนั่งปากเถียงปากเปียกปากฉี่กันคนนึงบอกไม่ใช่คนนึงบอกว่าใช่อย่าไปสนใจชื่อเหมือนกินข้าวอิ่มนะมีป้ายไม่บอกว่าออิ่มแบบอุปจาระหรืออิ่ม <c oughs> <c oughs> ขอใหมันอิ่มก็แล้วกันเออ จะได้ไม่้องมาเราไม่เข้ามาเถียงกันเรื่องอิ่มใช่ไหมออพอเรารู้ว่ามันอิ่มแต่ถ้ามาเขียนป้ายว่ามีอิ่มระดับอุปจาระอิ่เดี๋ยวก็มาเถียงกัน อ, อีกอย่าไปสนใจชื่อมันชื่อนี้ไว้ให้เรารู้ไว้เป็นเป็นประดับความรู้เฉยๆท่นเองอไว้เวลาที่จะสอนกับคนที่เขารู้จริงๆแต่ถ้าไปพูดกับคนไม่รู้เดี๋ยวก็แบบพวกตาบอดคำช้างเถียงกันตากเปียกปากฉีคนในคาหางช้างก็เป็นเชือก คนไปทำงูงวงช้างก็ว่าเป็นงูคนไปทาไปไปควงไปคํางาของช้างก็เรียกว่าหอกเนี่ยคนไปคําท้องช้างก็ว่าเป็นผ้าผนังมันถูกด้วยกัน น, นั่นแหะแต่มันคนละเรื่องกันนอันนี้ก็เหมือนกันคนนั่งสมาธิแล้วเกี่ยวเป็นอุปจารละแต่ความจริงมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ ไอคนมานั่งบอเอ้ยไม่ใช่อุปจาระไม่ได้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็เถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยอย่าเถียงกันดีกว่านั่งไปให้มันสงบให้มันมีความสุขก็แล้วกันค่ะคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะอยากให้พระอาจารย์เล่าอาการของชาญหนึ่งถึงชาญสี่ด้วยครับว่าอาการเป็นอย่างไร เ, ออเราจำชื่อมันไม่ได้หล้วเนี่ยก็เหมือนกันป้ายมนกันก็ไปอ่านใน google เสร็เนี่ย <laughs> ออออไปเขียนรูปฌานสี่มันก็โผล่มาล้ว ข้อหนึ่งมีวิตกวิจารมีปิติสุขใช่ไหมมีสี่อาการหรือไงเนี่ยลราจำไม่ได้เดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวจะจะผิดแล้วเดี๋ยวจะ อ, อะไรเขาเรียกอะไรเปิดภูมิตัวเอง <laughs> <laughs> เผยเผยความง่ของตัวเอง <laughs> ไม่พูดดีกว่า <laughs> คือน้องแฟนเนี่ยเขาเขานั่งสมาธิหลายสิบปีแล้วค่ะเขานั่งเขาก็นั่งบ้างไม่นั่งบ้างเราก็เห็นเขาเล่านะคะพอเขานั่งปุ๊บเนี่ยแล้วเขาเห็นผู้หญิงมานั่งต่อหน้าเขาเขาบอกเขากลัวมากจากนั้นเขาเลยไม่กล้านั่งก็เลยกลายเป็นแบบคนก็ไม่กล้านั่งเขาว่ากลัวจะเห็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราไม่เรียกเราไม่ได้เรียกว่านั่งสมาธิเรียกว่านั่งนั่งดูผีเขาบอกเขาเห็นจริงจจริงไม่จริงก็เรื่องของเขาอ่ะ เขาเห็นจริงก็เรื่องของเขาเลยพอให้คุณฝังไม่การนั<อ>่งกูจะเจอกนที่นั่งสมาธิก็ไม่เจอเหรอกถ้านั่งสมาธิ <c oughs> นั่งสมาธิมันต้องมีสติกำกับใจต้องมีพุโทโธพุโทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกแล้วมันจะไม่เห็นอะไรหรอกถ้าเห็นก็อย่าไปสนใจเดี๋ยวมันก็หายไปที่เห็นก็ไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็ไปว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่ไปเนี่ยพวกที่นั่งสมาธิแล้วไม่มีสติมันก็อย่างนี้แล้วจะเป็นบ้าไป พอเห็นอะไรก็ไปว่าเป็นนู่นเป็นนี่ไปอนั่นไม่ใช่นี่ไม่ใช่วิธีนั่งสมาธินั่งสมาธิต้อง<ะ>นั่งดูลมหายใจนั่งพุทโธพุทโธไปแล้วจะไม่มีอะไรมีก็ไม่ไม่สนใจไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวมันก็หายไปเองมันเป็นภาพหลอนมายาอมไม่ใช่สัญญาก่าใช่ไหมคะก็ไม่รู้หล่ะอย่าไปใช้ชื่อมันเลยมันก็มันเป็น อมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปถ้าเราไม่ไปสนใจมันก็หายไปถ้าเราไปว่าเป็นผีเป็นอะไรมันก็เราก็เชื่อไปตามนั้นมันไม่ได้บอกว่ามันผีซะหน่อยเราไปบอกมันเองไงเราต้องถามมันถึงเป็นใครเคยถามมันหรือเปล่า <c oughs> ลวเวลาเจอคนยังถามเลยคุณมาจากไหนชื่ออะไรใช่ไหมไม่ใช่อยู่ดีก็ไปบอกเขาชื่อกา น, นิกาชื่อ <c oughs> ชื่อสมศรีคุณต้องถามชื่อเขาสิคุณชื่ออะไรใช่ไหมท <c oughs> าไมพอเจออะไรในสมาธิไม่ถามก็เราเป็นอะไรชื่ออะไร เป็นเทวดาเป็นผีเป็นเปรตแต่เรนไม่ถามว่าไปตั้งชื่อให้เขาเลยใช่ไหมไม่ถูกอ่ะเราไปอุปทานไปตั้งชื่อให้เขาเองไปว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปเองเราให้เขาบอกเลว่าฉันเป็นผีฉันเป็นพี่เธอชาติก่อนเป็นอย่างงู้นเป็นนี้มาพูดมาเล่าให้มันรู้เรื่องรู้ราวสิมันจะยังเป็นของจริงเอามีมีคนที่นั่งสมาธิแล้วเขาเจอดวงวิญญาณเอาพระจ้เจ้าไป ก็ไปเจอวิญญาณของเทวดาทั้งหลายเทวดาเีลก็เป็นวิญญาณทั้งนั้นแหละแต่เพียงแต่เราไม่เรียกว่าดวงวิญญาณเราเรียกว่าเทวดาเดี๋ยวเรียกว่ากายทิพย์วิญญาณนี้ก็เป็นกายทิพย์ทั้งนั้นแะกายทิพย์ที่เป็นนายอบายหรือกายทิพย์ที่อยู่ในสวรรค์นั้นมันก็อยู่ในโลกทิพย์ด้วยกันเนี่ยจิตที่มี mm hmm. พลังสมาธิก็สามารถที่จะติดต่อกับพวกกายทิพย์นี้ได้ แต่พวกที่นั่งปุ๊บแล้วเห็นปั๊มนี่มันไม่ใช่เห็นหรอกมันอุปทานเข้าใจไหมมายาภาพหลอนภาพหลอกจิตนั้นหลอนหรอ ก, รอรอกสร้างขึ้นมาข้อที่สองค่ะพระเล่นเฟ e บ o ๊ k ได้ไหมครับกดแชร์ตอบคอมเมนต์ยอโยงผีหลีนไหมครับต้องไปถามมหาเทราสมาคมไหมเราไม่ได้พี่จะตอบเดี๋ยวเจ็บตัว อย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านเขาเกี่ยวข้องกับตัวเราดีกว่าเราเล่นหรือเปล่าถ้าไม่ดีเราก็อย่าเล่นก็แล้วกันอไม่ว่าพระหรือโยมมันถ้าเล่นแล้วไม่ดีก็อย่าไปเล่นมันถ้าเล่นแล้วดีก็เล่นได้เห็นไหยเล่น Facebook ได้ตอนนี้ยดีไหมดีก็เล่นได้ใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ว่าที่เล่นหรือไม่เล่นมันอยู่ที่ว่าดีหรือไม่ดีเหมือนมีดเนี่ยมีดจับได้มไหม จับแล้วไปฟันคนนี้มันไม่ดีก็อย่าไปจับมันถ้าจับแล้วไปหั่นผักหั่นปลาทำกับข้าวอะไรนี้ก็จับได้ขอพวกนี้เป็นเหมือนเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถทำประโยชน์ก็ได้ทำโทษก็ได้ น, นันเป็นเรื่องที่จะต้องใช้วิจารณญาณต้องดูที่ผลของการกระทำว่ามันทำแล้วดีแล้วไม่ดีพระเจ้าบอกว่า วินยัยทำวินัยที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้นี่มันเล็กน้อยมากแต่ข้อห้ามต่างๆนี้มันยังมีอีกเยอะแต่ว่ามันไม่มีใครทำผิดก็เลยไม่มีข้อห้ามโผล่ขึ้นมาถ้าอยากจะรู้ว่าควรจะทำอะไรไม่ควรทำอะไรก็ให้พิจารณาผลที่เกิดจากการกระทำว่าทำแล้วมันเป็นประโยชน์สุขกับตัวเรากับผู้อื่นทำไปเลยถ้าทำแล้วเป็นโทษกับตัวเราเป็นโทษกับผู้อื่นก็หยุดเสีย ถึงแม้จะไม่มีข้อห้ามก็ต้องถือว่าไม่ควรทำํำถ้าวพุทธเจ้าอยู่ตอนนี้อาจจะต้องมีข้อห้ามเพิ่มขึ้นเยอะแยะไปหมดเพราะคนทํานี่คิดไม่เป็นคิดไม่เป็นว่าทำทำแล้วเป็นโทษแล้วเป็นคุณสมัยยุคแรกๆสมัยที่มีแต่พระอาหารนี่ท่านไม่มีข้อห้ามเลยแมย้แต่ข้อเดียวเพราะพระาอาหานต์ท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านรู้ผิดถูกดีชัว่วทําอะไรท่านพิจารณาก่อนก็เลยไม่มีใครทําผิดกัน ตามมาพวกที่มาบวชทีหลังนี่ไม่เป็นยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นี่ก็ทําผิดทําอะไรกันไปเยอะแยะก็เลยมีข้อห้ามต่างๆขึ้นมาเต็มไปหมดใช่ไหมแต่โดยหลักพระเจ้าบอกให้ให้ยึดหลักนี้ว่าถ้าไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีข้อห้ามก็ให้ถามตัวเองว่าทําแล้วมันเป็นคุณหรือเป็นโทษกับตัวเราหรือกับผู้อื่นหรือไม่ถ้าเป็นโทษก็ถึงแม้ไม่มีไม่มีข้อห้ามก็อยากไปทํา ถ้าทำแล้วเป็นคุณเป็นประโยชน์ <c oughs> กับตัวเราหรือกับพผู้อื่นก็ทำไปเลยเถึงแม้มีข้อห้ามก็ยกเลิกข้อห้ามได้พระเจ้าบอกข้อห้ามบางอย่างอาจจะไม่เหมาะกับบางเวลาบ า, บางสถานการณ์ก็ได้ท่านก็อนุญาตให้ยกเลิกได้บอกอานนท์ไว้แต่อานนท์ไม่ได้ถามว่าข้อไหนก็เลยไม่รู้จะยกเลิกข้อไหนก็เลยไม่ต้องยกเลิก อ, อ, อย่างรักษาสองรอยิบเจ็ดต่อไป แต่พวกมหายานนี่เ็าบอกพระพุทธเจ้าบอกให้ยกเลิกได้เขาก็เลยกเลิกกันใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ไม่รู้แบ่งเป็นสองพวกไงเพราะตกลงกันไม่ได้พวกหนึ่งบอกยกเลิกได้พวกหนึ่งยกเลิกไม่ได้พวกยกเลิกไม่ได้ก็มาเป็นเถรวาดพวกที่ยกเลิกได้ก็ไปเป็นมหายานกันไปก็เลิกบินตบาทนี่มหายานเขาไม่บินตบาทนี่ก็เลยต่างกันเพราะ แปลความพูดคําหมายของพระเจ้าต่างกันคนหนึ่งแปลว่าพระเจ้าบอกให้ยกเลิกได้อีกคนหนึ่งบอกว่ายกเลิกได้แต่ไม่รู้ว่าข้อไหนก็เลยไม่ยกเลิกมึนเลยก็เป็นพวกหนึ่งไปพวกเถรรวาเนี่ยพวกนี้ยังรักษาสิงห์สายี่สิบเจ็ดข้อเหมือนในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังอยู่แต่พวกมหายาเนี่ไม่รู้เหลือกี่ข้อแนละ้วน้องคำถามจากคุณอีซี่ค่ะ ถ้าเราเดินจงกรมแล้วรู้สึกตัวเบาเหมือนเท้าไม่สัมผัสพื้นมีความสุขเดินอย่างไรก็ไม่เบื่อสภาวะแบบนี้คืออะไรและในเวลานี้เราสามารถหยุดเดินเพื่อ ย, ยืนสมาธิได้หรือไม่ครับก็เรียกว่าวนจิตสงบแล้วใจจะเบาใจจะสุขความทุกข์ของร่างกายนี้มันจะไม่มากระทบทกระเทือนใจเป็นอุเบกขาใจสบายไม่ชังกับความทุกข์ยากลาบากของร่างกาย จะยืนเฉยๆก็ได้จะเดินก็ได้แล้วแต่อัธยาศัยคำถามจากมนุษย์คือส่วนหนึ่งคนที่ไม่บวชสามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับได้คนที่บวชมันไม่ได้บรรลุธรรมก็มีเยอะแยะไป <c oughs> มันไม่ได้อยู่ที่บวชหรือไม่บวชมันอยู่ที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติถ้ามีศีลสมาธิปัญญาครบร้อยก็บรรลุได้ทั้งนั้นแหละคำถามจากคุณพีลาโมอนิกทุก พึงพึงกำหนดรู้ทําไมทุกต้องกําหนดรู้ครับก็ว่ากําหนดรู้ก็ให้ศึกษาให้รู้ว่าทุกคืออะไรทุกก็คือการเกิดแก่เจ็บตายไงทุกไหมเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วต้องทำมาหากินนี่ทุกข์ก็แ่าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องคอยปกป้องดูแลรักษาร่างกายนี่มันสุขหรือมันทุกข์เวลาแก่มันสุขหรือมันทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันสุขหรือมันทุกข์เวลาตายมันสุขหรือมันทุกข์ เวลาพภาคจากกันนี่มันสุขหรือมันทุกข์เวลาพบกับสิ่งที่เราไม่อยากจะพบนี่มันสุขหรืออยากทุกข์เนี่ยให้คิดอย่างนี้แล้วมันจะได้รู้ว่านี่คือทุกข์เราชอบลืมกันลืมความแก่ลืมความเจ็บลืมความตายกันมัวแต่หาความสุขกันก็เลยลืมว่าเรากําลังมาหาความทุกข์กันจากการที่เรามาเกิดกันเขาจถึงต้องให้เตือนให้กลับมา สอนตัวเองให้อยู่เรื่อยๆทุกให้กําหนดรู้ไงให้รู้ว่าทุกคืคออะไรแล้วรู้แบบไม่ลืมเพวะเรามันรู้แบบลืมรู้ว่าแก่เจ็บตายแต่ลืมเรื่อยใช่ไหมแล้วก็อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมาอทุกเพราะความอยากอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเองทุกเพราะความอยากจะมาเกิดอยากจะมามาหาความสุขทางร่างกายก็เลยต้องกลับมาเกิดต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยาก ความอยากก็ต้องให้ละเมื่อรู้แล้วว่ามาเกิดเพราะอะไรเพราะความอยากก็ต้องละที่จะละด้วยอะไรละด้วยความรู้ตอนนี้เราละไม่ไหวไม่มีกําลังต้องมาสร้างกําลังละกําลังที่จะทําให้เราละได้ก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่ที่เรียกว่ามครคนี่เองเข้าใจไหมถูกต้องไหมอ่าตอนนี้เราขาดอะไรเราขาดศีลสมาธิปัญญากันใช่ไหม เราเลยละความอยากไม่ได้พอละความอยากไม่ได้ก็หยุดความเกิดไม่ได้พอหยุดความเกิดไม่ได้ก็มาเจอความแก่หยุดความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้หยุดการสูญเสียไม่ได้หยุดการพัดภาคจากากันไม่ได้หยุดจากการที่เรามาพบกับเหตุการณ์หรือบุ้คนที่เราไม่ชอบไม่ได้นก็เลยทุกข์กันคําถามจากคุณลาวันค่ะ วิฉันอยากให้ลูกๆหลานและคนที่รักเป็นคนดีจะเป็นความอยากไหมคะแต่ใดเป็นอุเบกขาค่ะเอขออยากให้ตัวเราดีก่อนเถอะอย่าไปอยากเรื่องของค น, อ, นอื่นเลยเออถ้านอกจากถ้ามีหน้าที่ที่เราจะต้องทําต้องสอนเขาเราก็สอนเข้าไปเอพระพุทธเจ้าก็อยากให้ทุกคนไปนิพพาน่อแต่มันเป็นไปได้หรือเปล่าเราต้องดูความเป็นไปได้ด้วยเวลาเราอยากอะไรนั้นเราต้องดูว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าเป็นไปไม่ได้ก็อย่าไปอยาก เพราะอยากจะทำให้เราเครียดจะทำให้เราผิดหวังงั้นเราก็ต้องดูถ้าอยากแล้วอยากให้คนนี้บวช ด, ดูท่าทางมันบวชได้เดี๋ยวพูดชวนลองคุยสอนมันดูสิเผื่อมันจะบวชก็ได้นี่ก็ได้อย่างญาติโยมเนี่ยเราก็มองว่าท่าทางจะบวชได้ดันถึงสอนเนี่ยแต่ไม่เห็นบวชกันสักคนถ้าอยากก็จะเสียใจ อยากได้แต่อย่าไปเสียใจถ้าไม่ได้เออยากแบบไม่เสียใจแต่ถ้าอยากแบบเสียใจแล้วก็อย่าไปอยากดีกว่าให้ดูมันจะมีผลกระทบกับตัวเราถ้าเราอยากแล้วเราไม่เสียใจก็ไม่เป็นไรอยากก็ดีอยากใหคนอื่นดีก็ดีไปแต่ก่อนที่อยากใช้คนอื่นดีทําตัวเราให้ดีก่อนไดีกว่าเพราะว่าเรายังมีอะไรที่เรายังต้องทําอยู่หรือเปล่า ถ้าเรายังมีสิ่งที่อะไรที่เรายังต้องทำอยู่ทําส่วนของเราไปก่อนเถิดส่วนของคนอื่นไว้ให้จัดงานของเราก่อนแล้วค่อยไปช่วยคนอื่นเขาต่อไปดูพระพุทธเจ้าตลอดระยะเวลาหกปีนี้ไม่ไปสอนใครเลยใช่ไหมช่วงที่ปฏิบัตินี่ปฏิบัติอย่างเดียวต้องการจะหลุดพ้นอย่างเดียวพอหลุดพ้นแล้วทีนี้ค่อยไปสอนคนอื่นต่อสอนต้องสี่สิบ้าปีเนี่ยใช่ไหมสอนช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลาอยาให้คนอื่นพ้นทุกข์กันถึงสอน แต่ไม่ได้อยากแบบถ้าไม่ได้ดังใจอยากเราจะทุกข์ไม่ได้อยากแบบนั้น <Okay. S 1> อยากแบบไม่มีกิเลสอยากแบบไม่ทุกข์อ่ะต่อไปคําถามคําถามจากคุณตุ้มตุ้ยคะ่ะพอภาวนาไประยะหนึ่งทําให้ไม่อยากไปไหนไม่อยากได้อะไรอยากนั่งเฉยๆไปเรื่อยๆไม่อยากคิดอะไร มาถูกทางไหมคะถูกนะ ย, ยังไม่แน่ใจว่าขี้เกียจหรือปล่อยวาง <c oughs> มีอะไรเป็นจุดสังเกตและข้อแตกต่างขอพระอาจารย์แนะนําด้วยค่ะอ๋อก็ต้องทําต่อเนไม่ใช่ขี้เกียจแบบไม่ทําอะไรก็ต้องนั่งสมาธิต่อต้องเจริญสติต่อต้องเจริญวิปัสสนาต่อไม่ใช่พอไม่อยากแล้วก็อยู่เฉยเฉยไม่ทําอะไรก็ขี้เกียจได้ต้องยังต้องทําอยู่มีหน้าที่อะไรก็ต้องทําไปมีหน้าที่ซักเสื้อผ้า กวาดบ้านถูบ้านก็ต้องทำแล้วถ้ามีมีส่วนที่ปฏิบัติยังไปไม่ถึงก็ต้องปฏิบัติต่อนี่เราได้เพียงแต่ขั้นความสงบอันต่อไปก็ต้องเจริญปัญญาวิปัสสนาให้จิตไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆคำถาม <c oughs> ค่ะคุณปาง <c oughs> ปัจจุบันอายุยี่สิบเก้าปีค่ะ ถึงวัยที่ต้องมีลูกไว้สืบสกุลแต่ตัวเองพิจารณาว่าการมีลูกจะเป็นการขัดขวางการปฏิบัติธรรมมันจะเป็นห่วงคอยลั้งคิดถูกแล้วใช่ไหมค ะ, ะถูกแล้วคิดแบบพระพุทธเจ้าเนะพระพุทธเจ้าบอกลูกเป็นบ่วงคําถามจากคุณเนทําความดีอย่างไรไม่ให้ดูเหมือนกลายเป็นคนโง่คะคนดีมากจะคนคนคนโง่ก็าจะมองคนดีว่าเป็นคนโง่ะ แต่คนฉลาดก็จะมองคนดีว่าเป็นคนฉลาดฉะั้นการที่จะให้คนเขามองเราว่าโง่นี้ห้ามก็ไม่ได้หรอกเพราะคนโง่จะมองคนที่ทําความดีว่าโง่แต่เห็นว่าคนที่ทําชั่วนี้เป็นคนฉลาดนี่คือคนโง่จะมองคนอย่างนี้ส่วนคนฉลาดจะมองว่าคนที่ทําชั่วนี้โง่คนที่ทําดีเนี่ยฉลาดฉะนั้นมันมีคนสองคนในโลกนี้คนโง่กับคนฉลาด มองไม่เหมือนกันมองต่างมุมกันงั้นเราจะไปห้ามคนโง่จะมามองคนที่ทําความดีว่าโง่นี่ห้ามเขาไม่ได้หรอกเขาก็ต้องมองว่าเราโง่แต่ถ้าคนดีนี่เขามองแล้วเขาว่าเราฉลาดเขาจะสาธุอนุโมทนาเอเมนไหมเวลาทําบุญนี่ญาติโยมสาธุสาธุ ก, กันถ้าพวกคนโง่มันบอกทำไปจะไม่เสียเงินเสียทองนั่นแหละพวกโง่ <laughs> คำถามจากคุณสว่างจิตค่ะที่บ้านพอมีงูเข้ามาที่สนามสุนัขที่เลี้ยงไว้ก็เขเ้าไปรุมกัดและข้างงูจะเข้าไปห้ามสุ at นัขก็กลัวงูค่ะแบบนี้บาปไหมคะไม่บาปแต่ไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบุญไม่ได้ไปช่วยเหลือชีวิตของงูพอให้หมากัดถ้าอยากจะทำบุญก็ยอมเสียชีวิตบางคนนี่บางคนก็ตักชีวิตยอมช่วยเหลือคนอื่น ก็ไปช่วยช่วยแล้วตัวเองก็เจ็บตัวหรือเสียชีวิตเนี่ยเช่นอุบัติเหตุบางทีรถกำลังจะระเบิดไฟจะไหม้คนติดอยู่ในรถเขาก็เข้าไปช่วยเงี้ยบางทีก็ตายเพราะไปช่วยคนอื่นก็มีแต่เขายอมก็าเขาอุิทิชชีวิตให้กับการช่วยเหลือผู้ได้บุญเยอ ะ, อะ <c oughs> โยมกับขอความเมตตาจากพระอาจารย์อธิบายระหว่างฌานกับญาณต่างกันอย่างไรเจ้าคะฌานคือความสงบเส้นสมาธินี่เรียกวฌ า, านญาณแปลว่าความรู้คือปัญญาญาณอย่างรู้ญาณแปลว่าความรู้การรับรู้การอย่างรู้รู้ ร, รู้รู้กิเลสรู้ธรรมรู้มากรู้ผลรู้อริยสัจสีรู้อะไรต่างๆนี่เรียกว่าญาณ ส่วนชานนี่เป็นความสงบฌานที่หนึ่งฌานที่สองสงบมากสงบหน้าต่างไปการไปตามลำดับฌานฌานแปลว่าการเพ่งการการนิ่งเฉยของจิตเรียกว่าฌานการเพ่งนิ่งเฉยเรียกว่าฌานส่วนญาณ น, นี่คือการรู้ความรู้ต่างเรียกว่าญาณคำถามจากคุณณพลเมื่อเราสังเกตคนทั่วทั่วไปทำไมคนที่ชอบทำบา เมื่อเขาทำสิ่งที่ต้องประสงค์แล้วเขากลับรู้สึกว่ามีพลังมากขึ้นเมื่อได้เสพความทุกข์ของคนอื่นเมื่อมองตอนเองแล้วคิดหัดทำเช่นนั้นเรากับอ่อนแอทางกายและใจบางทีจิตพลิกกลับคิดว่าเราจะเอาอย่างเขาดีไหมเพื่อเราจะได้มีพลังเหมือนเขาบ้างมันก็เรื่องของความหลงไงความหลงนี่ทำให้คนนี่มีพลังได้ อ ง, องคุลิมานี่ฆ่าคุณได้ตั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนก็เพราะความหลงแต่พอมารู้ว่าบาปจะต้องไปมีผลบาป ท, ที่ฆ่าไม่ลงทำไม่ไหวแล้วจิตไม่มีพลังแล้วความหลงนี่มันก็สามารถหลอกให้จิตมีพลังขึ้นมาได้คำถามจากคุณพีโกมีวิธีใดบ้างทำให้ใจไม่เกิดความอยากนอกจากคิดแต่พุโทโธทุกวินาทีก็เลว่า ถ้าอยากเราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆอยากเราต้องทุกข์เพราะสิ่งที่เราได้มาเดี๋ยวมันจะต้องจากเราไปพอมันจากเราไปเราก็อยากได้ใหม่พอเราไม่ได้เราก็จะทุกข์เวลาจากไปก็ทุกข์อยากกินกาแฟเนี้ยพอได้กินก็สุขเดี๋ยวพอริดของกาแฟหมดก็อยากขึ้นมาใหม่พอไม่ได้ดื่มกาแฟก็จะทุกข์คิดว่าการทำตามความอยากนี้จะนำไปสู่ความทุกข์ ทำไมไม่ทาไมเราไม่อยากเสพยาเสพติดกันล่ะเพราะเรเสพแล้ว o, มันทุกข์ไหมทุกอย่างเหมือนยาเสพติดเนี่ยทุกอย่างที่เราอยากนี่เหมือนยาเสพติดเพียงแต่ว่ามันไม่ไม่หนักนาสาหัสไม่รวดเร็วเหมือนยาเสพติดเท่านั้นเองความอยากมันอยากมันช้ากว่าจะทุกข์เช่นอยากมีแฟนนี่อาจจะมาทุกข์ตอนที่แฟนจากกันหลายปีแล้วมีลูกมีเต้าอยู่กันมาเป็นสิบปีแล้วท้ยค่อยมาทุกข์เพราะมีแฟนก็ได้เพตอนนั้นเลยลืมว่ามันเกิดจากความอยากมีแฟน ใช่ไหมมันลืมมันเหตุกับผลมันห่างไกลกันเรือเกินมันเลยลืมว่าเนี่ยที่เราทุกข์เพราะว่าเราอยากมีแฟนพอเรามีแฟนเราก็เราก็ลืมไปมีความสุขกับแฟนไปจนมาหนึ่งแฟนทิ้งเราไปหรือตายไปจากเราไปทีนี้ก็ทุกข์แล้วสิเนี่ยมันมันบางอย่างมันช้ามันก็เลยมันก็เลยไม่ไม่กลัวมันเลยมองไม่เห็นทุกข์กันแต่ยาเสพติดนี้มันเห็นมันเห็นเร็วมันก็เลยไม่กล้าเสพกัน คำถามจากคุณปาดีการทํากาละเป็นบาประดับไหนคะไม่รู้กาละแปลว่าอะไรถามใหม่สิกาละเขียนผิดหรือเปล่ากาละก็ก็ก็ก็ไก่สละอารอลิงเลยดูลาลการไม่รู้แปลว่าอะไรมหาการการนี้แปลว่าอะไรลองลองลองถามกูเกิลดูสิการนี้แปลว่าอะไร เอาไม่รู้ <c oughs> เคยได้ยินในพระพธรรมพูดว่าทำการระกหมายถฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายก็บาป่าคนาาอื่นก็บาปเพราะเป็นการฆ่าเหมือนกั น, น <c oughs> คำถามจากคุณโดราเมื่อก่อนถวายพวงมาลาัยบูชาพระแต่เดี๋ยวนี้ปฏิบัติบูชาแทนอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะถูกถูก ได้ผลดีกว่าได้พวงมาลามันก็มีความสุขตอนที่วางพวงมาลาแคั้นเองแต่เดี๋ยวก็ต้องมาเก็บไปทิ้งแต่ถ้าปฏิบัติแล้วจิตสงบแล้วถ้าปฏิบัติได้ก็จะปฏิบัติไปได้เรื่อยๆก็จะสงบไปเรื่อยๆมีความสุขไปเรื่อยๆไม่ต้องเสียเงนินไปซื้อพวงมาลัยคําถามจากคุณน้อยนาข้อที่หนึ่งการหยุดความคิดได้ต้องทําให้ได้ตลอดทั้งวันหรือเปล่าคะ ถ้าหยุดได้ทั้งวันก็ดีแต่การแต่ไม่จําเป็นจะต้องใช้พุทโธทั้งวันพอเราหยุดคิดเราก็หยุดพุทโธได้พอมันคิดล้วก็ค่อยหยุดแล้วค่อยค่อยพุทโธใหม่ต่อไปมันก็จะมันให้มันหยุดคิดอย่างถาวรไม่ได้หรอกมันต้องคิดเพียงแต่ว่าพอมันคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็หยุดมันใช้พุทโธหยุดมันถ้ามันคิดไปในทางที่ดีก็ปล่อยมันคิดไป เราต้องการหยุดความคิดไม่ดีคิดไปในทางกิเลสตัณหาเท่านั้นเองถ้าคิดไปในทางธรรมะก็คิดไปคิดอยากจะทาบุญก็ปล่อยมันคิดไปคิดอยากไปปฏิบัติธรรมก็คิดไปคิดอยากจะฟังเทศน์ฟังธรรมก็ปล่อยมันคิดได้คิดจะทํางานก็ทำได้พอเรามีหน้าที่การงานต้องทำถ้ามันคิดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการก็คิดได้แต่ถ้าจะคิดไปมีแฟนคิดไปเที่ยวคิดไปขโมยเงินของคนนั้นคนนี้ก็อย่ายันคิด ข้อที่สองการหยุดได้บางทีไม่มีเหตุผลอธิบายหมายความว่าปัญญาไม่ทันสติใช่ไหมคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับปัญญาเลยถ้าเรื่องการหยุดเฉยๆนี่มันหยุดด้วยสติหรือนอกจากว่าปัญญาเก่ามัน ม, มันรู้ว่ามันไม่ดีมันก็หยุดได้รู้ว่าจะไปเสพยาเสพติดรู้มันมีปัญญาอยู่แล้วมันก็หยุดได้ทันทีรู้ว่าทําผิดกฎหมายปับไม่ทําเลยดีกว่ามันก็หยุดได้อันนี้หยุดด้วยปัญญา ด้วยสติดยต้องรู้สึกตัวด้วยกํากำลังจะคิดไม่ดีกำลังจะคิดจะทำไม่ดีต้องมีสติก่อนสติต้องมาก่อนรู้ว่ากำลังคิดคิดไม่ดีแล้วพอมีปัญญาก็หยุดได้ถ้ามันไม่หยุดก็ต้องใช้สติช่วยก่อนก็ได้พุโทโธพุโทโธไปอย่าให้มันคิดไปในทางที่ไม่ดีคำถามจากคุณนัฐกิจความรู้สึกถึงธรรมของพระอาจารย์ครั้งล่าสุดนี้เป็นลักษณะแบบใดครับ จิตวางอยู่ตรงกลางระหว่างอะไรกับอะไรครับแต่วางหิวกับไม่หิวแต่วังง่วงกับไม่ง่วงถ้าหิวก็หาข้าวกินตั้งง่วงก็เนหาที่นอนจอบถามเรื่องส่วนตัวเลยฮนะเรื่องของตัวเองไม่ถามเลย ทำไมเวลาปฏิบัติโดยนั่งสมาธิไปเลยไม่สวดมนต์จิตจะมีสมาธิมากกว่าคะถ้าเราไม่สวดมนต์ได้หรือเปล่าคะได้เพราะการสวดมนต์นี่มันมันเพียงแต่ช่วยให้เราถ้าเราไม่มีสติช่วยให้เรามีสติเพื่อเราจะได้นั่งสมาธิได้ไดถ้าเรามีสมาถ้ามีสติแล้วเราไปสวดมนต์มันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเราเราต้องนั่งสมาธิเลยเพราะการสวดเหมือนกับเป็นการทำให้จิตเราไม่สงบ ถ้าเรามีสติแล้วเราดูเฉยๆดูลมเฉยๆจะสงบกว่าการถ้าแต่ถ้าเราดูลมไม่ได้ใจฟุงง้งอ่างนีเราก็ต้องสวดก่อนสวดให้มันหายฟุง้งพอใจหายฟุ้งแล้วก็ดูลมได้พุทโธได้มันอยู่ที่นั้นพอเราดูลมได้นั่งสมาธิได้ก็นั่งไปเลยไม่ต้องมาสวดคําถามจากคุณนันทนาการบวชชีในวัดที่มีพระกลับสำนักแม่ชีไม่มีพระ ควรเลือกแบบไหนดีคะก็อยู่ที่อาจารย์เนี่ยในการบวชนี่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คนคนสอนนะถ้าเราได้คนสอนดีๆมันก็มันก็ดีกว่าคนสอนไม่ดีเห็นไหมนักเรียนจึงเรียกไปเรียนเข้าเตรียมสาธิตเตรียมอุดมอ่าเพราะว่ามีอาจารย์ดีๆกว่านัอยู่ที่อาจารย์คําถามจากคุณปฐมพร ทำอย่างไรให้รักความกลัวได้บ้างเจ้าคะบางผีความกลัวบางอย่างก็ละได้บางอย่างก็ละไม่ได้เจ้าค่ะก็ฝึกสติให้มากๆแล้วเวลาแล้วก็ไปหาสิ่งที่เรากลัวเราใช้สติหยุดมันฝึกสติก่อนให้มันหยุดความคิดหยุดอะไรให้ได้แล้วพอถึงเวลาเราคิดว่าเราหยุดความคิดได้เราก็ไปหาสิ่งที่น่ากลัวแล้ว พอเกิดความกลัวขึ้นมาเราก็ใช้สติหยุดมันตอนต้นต้องมีสติก่อนต้องฝึกสติก่อนถ้าไม่งั้นเดี๋ยวไปเจอความกลัวมันหยุดไม่ได้มันจะเป็นบ้าจะเสียสติไปคำถามจากกุลลาวังค่ะการที่พิจรารณาร่างกายเป็นอสุภะนั้นถ้าเห็นบางส่วนของร่างกายแล้วจะต้องเพ่งอยู่ทุกวันไหมคะจนกว่านานเท่าไหร่คะคือจนกว่าเราจะไม่ลืมไง พอเห็นร่างกายทีไรก็เห็นส่วนที่ไม่สวยงามทันทีเห็นเราไม่เห็นกันเนี่ยเห็นร่างกายมีโครงกระดูกเนี่ยเคยเห็นกันบ้างไหมเคยเห็นกระโหลกศีรษะกันบ้างไหมเนี่ยไม่เห็นเลยใช่ไหมอยู่ตอนหน้าเนี่ยดูกระจกทุกวันเนี่ยเห็นแต่หนังไม่เห็นกระโหลกศีรษะอ่าต้องให้มันเห็นแต่ยังไม่เห็นก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็น ตัวทุกครั้งมองหน้าตัวเองก็จะเห็นกะโหลกทันทีเห็นทั้งหนังด้วยเห็นทั้งกะโหลกด้วยราราต้องไปดููเ ก, ก, ก็นึกมันก็ไปดูภาพก็ได้ก็ถ่ายกะโหลกศีรษะนี่มันมีเยอะแยะไปไปเปิดหนังสือในกูเกิลเขียนคําว่ากะโหลกศีรษะมันก็โผล่มาให้ดูแล้วอืแล้วก็พยายามดูมันเรื่อยๆคิดมันอยู่บ่อยๆแล้วเวลามองหน้าใครมองหน้าเรามองหน้าใครก็คิดถึงกะโหลกที่มันอยู่ใต้ศีรษะเรา ต่อไปมันเห็นใครมันก็จะเห็นกะโหลกศีรษะนะอันนี้ไม่เคยเห็นเลยใช่อหมไม่ได้พิจารณาต้องพิจารณามันจนให้เห็นตลอดเวลาเห็นโครงกระดูกไหยเห็นหัวใจเห็นปอดเห็นลำไส้ไหมไม่เห็นเลยเพราะไม่ได้พิจารณาสุภาษเลยไม่ได้พิจารณาการสามสิบสองเลยต้องพิจารณาจนกระทั่งเห็นใครก็เห็นหมดเลย ไม่เห็นแต่เฉพาะห้าอาการอันนี้เราเห็นแค่ผมขนเล็บฟันหนังนั่นเองแต่ใต้หนังนี้ไม่เห็นละเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะวังไม่เห็นเลยเนี่ยไม่ได้พิจารณากันเลยพิจารณาก็พิจารณาแบบพอหอมปากหอมคอรอบสองรอบจบละ เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตอนที่พิจารณาไงพออยู่พิจารณาป้าก็หายไปละอืตรก็จนเห็นล่ะก็ย้ายมาก็เราเห็นแล้วราไม่้สมมติสิคะเหมืนเราเห็นผนังไม่แน่ใจว่ากำเขื่อเป็นนังโอ้ยมันไม่ต้องไปแน่ใจมันก็ให้มันเห็นภาพก็พอแล้วอันนั้นไม่แน่ใจก็ไม่ต้องไปสนใจมันเอาที่มันแน่นแนเห็นกระโหลกศีรษะแค่นี้ก็พอแล้วล่ะไม่ต้องเห็นอะไรมากหรอก เห็น ก, นการหลอกศีระมันก็ไม่อยากจะได้มาเป็นแฟนนั่นแลหละใช่ไหม ม, มันไม่เห็นเลยเห็นแต่คิ้วเห็นแต่ตาเห็นแต่จมูกอันนี้ก็หลงนักข้างใครแล้วโ <laughs> อเค <laughs> คำถามจากคุณชรลินทิปใจข้าพเจ้าอยากจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดตลอดค่ะ แต่คนที่บ้านไม่เห็นด้วยจะทำอย่างไรดีคะปฏิบัติบที่บ้านรู้สึกว่าทำทาไม่ได้ต่อเนื่องค่ะก็ยากทางสิมอไปด้วยกันไม่ได้แล้วจะอยู่ด้วยกันไปทำไมใช่ไหมออแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพิดพิจนาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปท่าน